พากันตั้งใจตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่น้อมนึกถึงคุณพระรัตนไกลเป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนอื่นทั้งหมดเลยนะเพราะเราปฏิญญาณตนถึงคุณพระรัตนไก r เป็นที่พึ่ง ทุกคนแหละสำหรับคนไทยนี่เกือบเก้าสิบ้าเอร์ซน์น่นแหละที่เป็นชาวพุทธนี่เพราะนั้นเมื่อเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในใจ เ, เ, เ, เ, เ, เขารบนับถือคุณพระรัตนากรายเป็นที่พึ่งเช่นนี้แล้วเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จึงสมกับว่าเรานับถือไม่ใช่ จ, จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนับถือคุณพระรัตนากายนั่นไม่ใช่ให้แต่นับถือตั้งแต่ใจเฉยๆทรงสั่งสอนให้ลงมือกระทำลงมือกระทำตาม พระธรรมเพราะพระธรรมนี่เป็นคุณสำหรับกาจัดกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจากกิจใจของคนเราไม่ใช่ว่าเราเรียนพระธรรมรู้พระธรรมไห้เฉยๆแล้วกิเลสไม่เบาบางเหือดแห้งไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลย การฟังธทำการเรียนธทมการจำคำสอนของพระติเจ้าได้เมื่อจำคำสอนของพระติเจ้าได้แล้วก็ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่มากมายอย่างนี้นะยังไม่ทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางจา ก, กจิตใจไปเลยอย่างนี้ก็มันก็ไม่ได้ผลนะการนับถือพระรัตนกรัย น, นะไม่ได้ผลขอให้เข้าใจ การนับถือที่จะได้ผลแล้ว เ, ออเราก็ต้องมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเนี่ยไม่ว่าใครๆทั้งหมดเลยตลอดถึงเทวดาอินพรมยมยักษ์อะไรผู้มีความเลื่อมใสในคุณพระตัตนากลาแล้วท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเพราะว่าท่านที่จะได้ตรดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็เพราะว่าท่านปฏิบัติพระธรรมแม้ผู้ที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามหลวงพุทธเจ้าก็ต้องมาปฏิบัติตามพระธรรมนี่พระธรรมคือข้อปฏิบัติ ต, าต่างๆนี่นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบก่อนคนอื่นใดทั้งหมด ให้เข้าใจแต่ก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดนะคนในประเทศอินเดียครั้งนั้นพากันแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลนะแสวงหาทางพ้นทุกข์กันอยู่มากมายทีเดียวแหะบุคคลตั้งใจมั่นในการงานทางโลกนั้น มันก็เป็นแต่เพียงว่าอำนวยความสุขความเจริญให้แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะส่งผลให้ไปเบื้องหน้าต่อไปได้ส่วนตั้งใจทำการงานในทางธรรมนี่อันนี้มันเป็น เหตุให้ส่งผลไปในเบื้องหน้าด้วยแล้วก็ทำให้สิ้นอาสวะกิเลสตัณหาด้วยผลสุดท้ายดังนั้นการงานสองอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยความตั้งอกตั้งใจให้มัน่น รักษาจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไปอย่าให้มันเลาะแหละนั่นแหละมันถึงสาเร็จประโยชน์ได้ mm hmm. คนเราทำการงานอะไรสำเร็จประโยชน์ไม่ได้เพราะไม่ไม่ตั้งใจให้มั่นต่อหน้าที่การงานนั่นๆพอมีอุปสรรคเกิดขึ้นหนอหนึ่งแล้วก็ใจอ่อนพับไปเลยไม่สามารถที่จะ อดทนแก้ไขอุปสรรคนั้นให้ลุล่วงไปได้อย่างนี้นี่นะทำให้ธุรกิจการงานต่างๆเล็วไหลไปหมดถ้าพูดถึงทางภายนอกก็ดีพูดถึงภายในการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันแหละ ความตั้งอกตั้งใจให้แน่วแน่ลงไปว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะเมื่อเราตั้งใจลงไปอย่างนั้นเนะ่ะมันก็สังวรระวังกายวาจาเลยบับนี้นะมันก็ระมัดระวังนะถ้าไม้ระวังเดี๋ยวก็ศีลขาดมันก็ตื่นตอนโยงนั้นนะนี่เรียกว่าความตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ยอม สามารถรักษาศีล น, นี่รักษากายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปโทษต่งตางๆได้ mm hmm. ไม่ศีลไม่เศร้ามองศีลไม่ขาดก็เพราะความระมัดระวังตั้ง อ, อกตั้งใจอยู่เสมอนี่เองเนะ mm hmm. น, นี่ยศีลเนี่ยถพรเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายางตราสว่มันเป็นบทบาทเบื้องต้นที่จะ ทำให้ใจเป็นสมาธิได้ก็เพราะมันทำศีนนี่แหละให้บริสุทธิ์เสียก่อนศีนจะบริสุทธิ์ได้ก็อาศัยความตั้งใจอย่างว่านะตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่ระลึกให้ได้ก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรลงไป เมื่อระลึกได้ว่ามันไม่ผิดศีลแล้วก็ยึงค่อยทำค่อยพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ระลึกแล้วพอคิดได้อะไรก็ทำไปเลยไม่พิจารณาดูว่าการทำการงานอย่างนั้นอย่างนี้นมันเป็นคุณหรือเป็นโทษมันเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นี่นะถ้าบุคคลไม่พิจารณาอย่างนี้นะบางทีมันก็ ไปทำการงานอันผิดพลาดไปไปในทางบาปอากุศลนั่นน่ะ อ, อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนพึ่งฝึกฮัตสติสัมปชัญญะนี้ให้แก่กล้าเราก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องให้นึกซะก่อนไม่เช่นนั้นลมันจะผิดมันจะพลาดไป จากศิษฐ์ ข, ขบวิไนาจากศีลที่ได้สมทานมาแล้วจะเป็นกครืหัสก็ตามแหละเป็นนักบวชก็ตามมันก็ล้วนแต่สมทานมาแล้วทางนั้นแหละดูดที่ครือัสจะทำบุญดํำดานแต่ละครั้งนี่อ้าวต้องรับศีลเสีเยก่อน่งั้นแม้พระภิกษุสามนเณรบวชเข้ามาทีแรกก็ เป็นสามเณรก็รับสินกับอาจารย์แล้วกับอุปชาแล้วเป็นพระก็ได้ปฏิ ญ, ญาณตนว่าจะปฏิบัติตามไตรสิกขาคือสินสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่เราได้ปฏิ ญ, ญาณตรตนลงอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ พระอุปชายะก็บอกอนุสา์ให้<ม>บวชข้ามาแล้วต้องบำเพ็ญอธิจิตอธิสินอธิจิตอธิปัญญาให้เกิดขึ้น<ม>เพื่อเพื่อวิมุตเป็นผลเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั่นหละเป็นผล<ม>นี่มัน กิจวัตรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มันเกิดจากการตั้งใจทั้งนั้นเลยถ้าใจอ่อนแอแท้แล้วมันทาไปไม่ได้เรื่องมันนะการทำใจเป็นสมาธิอย่างนี้นะมันก็ต้องทำใจเข้มแข็งแหละตัวเองนั่นแหละทำใจเข้มแข็งตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สงบเป็นผู้ตั้งมัน่นนะ มันไม่ใช่มีสองนะไม่ใช่ว่าผู้หนึ่งเป็นผู้ตั้งใจแล้วผู้หนึ่งเป็นผู้ทำให้สงบอะไรทำนองนี้ไม่ใช่จิตดวงเดียวเ ย, ยงว่าจิตมันมีดวงเดียวเมื่อตั้งสติสําลวมเข้าไปมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้ น, นี่สติสมบัติยะ เพ่งเข้าไปประคองจิตนันไว้เรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็อย่าให้มันวันไหวไปตามอืมสตินั่นประคองไว้ประคองกิตไว้ให้มัน่นเมื่อฝึกไปอย่างนี้การทํำสมาธิก็ไม่ลําบากเพราะเมื่อเวลาที่ไม่ได้ทําสมาธิ ก็รักษาจิตให้เป็นปกติไปอยู่อย่างนี้นะไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกกโกรธแค้นคุณเคืองอะไรกับใครต่อใครมาไม่ให้ยึดเอาอารมณ์ต่างๆเหล่าลนั้นมาหมักหมมไว้ในใจถ่ายเทออกไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้เวลามันนั่งสมาี่เข้าไปมันก็ไม่ได้ มันมันก็ไม่ได้วุ้นวายกับกิเลสเหล่านั้นอ่ะกิเลสเหล่านั้นมันก็ไม่ได้มารบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนรอยไปต่างๆนา น, นานี่ไม่ใช่ว่าจะมาสำรวมจิตเอาแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านี้เมื่อออกจากสมาธิไปแล้วจะปล่อยปลดละเลยไปเลยไม่ควบคุมจิตใจตัวเอง เช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ผลเลยาการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลต่อเนื่องกันเราทำไม่ต่อเนื่องกันมันต้องทำให้ต่อเนื่องกันเนี่ยศีลก็สารวมระวังมาโดยลาดับไม่ขาดไม่ดังไม่หพร้อยนี่านีสมาธิก็บำเพ็ญต่อสืบจากศีลมา ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในคุณพระัตนไกลให้ได้เมื่อเจริญสมาธิได้ดีชำนิชำนาญเข้าสมาธิ ช, ชำนิชำนานออกจากสมาธิชำนิชำนาญรักษาสมาธิไว้ไม่เสื่อมเช่นนี้แล้วมันก็ สมควรที่จ ะ, จะเจริญปัญญาวิปัสสนาได้ให้พึงพากันเข้าใจถ้าหากว่าผู้ใดยังปล่อยให้สมาธิเสื่อมอยู่เช่นนี้จะไปจะเจริญปัญญาวิปัสสนามันไม่ได้เลยต้องรักษาสมาธิไว้ให้ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย สมาธิเนี่ยนับ ว, ว่าเป็นพื้นฐานอันสาคัญมากทีเดียวถ้าจิตนี่ไม่ตั้งมั่นซะอย่างเดียวแล้วเหลวไหลหมดเลยนั่นต้องพิสูจน์ให้มันเห็นจะทำคุณงามความดีอย่างอื่นก็ทำไม่ได้เมื่อใจนี่ไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วนะไม่ตั้งมั่นตอกุศลธรรมแล้วเพราะเหตุใด่ะ ก็เพราะว่ากิเลสเป็นตัวมารนนะ่ะนั่นแหละคอยจูงใจให้คิดฟุ้งซ่านไปภายนอกนู่นไม่ไม่มันไม่ต้องการให้กลับเข้ามาดูกายดูจิตนี้เลย mm hmm. เหตุนั่นแหละบุคคลจึงทำความดีไม่ได้อันผู้ที่ทำความดีไม่ได้นั่นนะ่ะเพราะว่าใจมันเหลียวไหลให้พึงเข้าใจ ดังนั้นในการนั่งสมาธิภาวนาการสำมรวมจิตซึงเชื่อว่าเป็นกิจวัตรอันสำคัญในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าผูใ้ใดปล่อยปละละเลยจิตใจตัวเองไม่นำพาไม่ดัดจริตนิสัยตัวเองให้ตรงต่อสินตรงต่อธรรมแล้วมันใช่ไม่ได้เลยชีวิตเนี่ยย่อมเหลวไหลไปแหละห บำเพ็ญทนเป็นนักเลงเจ้าชู้ไปเป็นนักเลงสุราเมีไรเครื่องเสพติดไอตัวต่างๆไปเป็นนักเลงเล่นการพนันขันต่อแสวงหาตั้งแต่ลาบลอยลอยอันนั้นแหละก็ ข, ขี้เกียจทำการงานหนักอืมคนบางคนน่ะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เหตุนันมันถึงไม่สามารถที่จะมีปัญญาเอาตัวรอดจากทุกข์ภัยในวตาสงสารนี่ได้โดยเฉพาะเรื่องอบายภูมิทางสี่นั่นะถ้าบุคคลใดไม่มาฝึกกิจให้ตั้งมั่นในกุศลธรรมแล้วแน่นอนนะ่มันต้องเอียงไปทางบาปบ้างเอียงมาทางบุญกุศลบ้างมันจะอยู่ในท่ามกลางไม่ได้ ผู้ที่ไม่ฝึกขัดใจให้เป็นสมาธิมาเป็นหลักเป็นฐานมาเป็นันเพราะฉะนั้นทุกคนนะอย่าไปอ้างนู้นอ้างนี้อย่าไปอ้างว่าทำธุรกิจการงานมากไม่มีเวลาที่จะมาทำสมาธิภาวนาเลยก็มักจะได้ยินอยู่บ่อย อันผู้เช่นนั้นเรียกว่ามันอ้างมันอ้างเอะไรต่ออะไรมาเพื่อว่าคนทั้งหลายจะได้เห็นตนว่าตนเป็นผู้มีการงานยุ่งเหยิงจริงจะไม่มีใครว่าอะไร <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเลย ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจใครจะว่าอะไรไม่ว่าอะไรอย่าไปถือเอาเรื่องภายนอกมาเป็นอารมณ์กำหนดทำยังไงใจของตนจะสงบลงไปได้ก็ทำลงไปนั่นแหละอย่าไป <c oughs> ทำบุญหวังเอาหน้า ภาวนาหวังเอาราบอย่าไปตั้งเจตนาลงอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยสมัยทุกวันนี้คนภาวนาเอาเลขเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งพันเมื่อแกภาวนาเอาเลขนั่นแหละภาวนาอธิษฐานอ้อนวอน ต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้อนวอนต่อคุณของเทวดาอินพรมต่างๆจะเป็นภูมิเทวดาลุกข่าเทวดาที่อาศัยอยู่ตามภูมิสถานเหล่านี้ก็ดีอยู่ตามต้นไม้ก็ดีนี่ขอให้มาบอกตัวตรงให้ข้าพเจ้า มันนี่ท่านเรียกว่าภาวนาหาราภทุกคนให้จำไว้อย่าไปทำอย่างนั้นตนเป็นผู้มีบุญแท้แท้บุญตกแต่งให้มาเกิดเป็นคนบุญตกแต่งให้มามีศรัทธาในบวรพุทธศาสนานี้ยินดีประคุตปฏิบัติตามเพื่อความหมดไปจากกิเลสตัณหา เพื่อความสิ้นทุกสิ้นยากในวัตฏะสงสารนี้ก็ให้ตั้งใจลงอย่างนั้นการภาวนานะมันก็จึงถูกทางได้ <c oughs> ดน่งนั้นเนะี่ยทุกคนนะเมื่อเข้าใจความมุ่งหมายอย่างว่าเนี่ยนะเราก็พยายามแล้วพยายาม ประกอบกุศลคุณงามความดีหลายอย่างเข้าไปไม่ใช่ไธทำแต่อย่างเดียวการบำเพ็ญบุญในพุทธศาสนานี่องค์เจ้าแสดงไว้เช่นบุญกิริยาวัตถุสิบประการอย่างนี้นะนั่นเนี่ยวัตถุที่ก่อให้เกิดบุญหมายความว่าอย่างนั้นนี่ เราปรพฤตปฏิบัติเราทำยังไงการงานอะไรด้วยกายด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีถ้าคิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นละ่ะนั่นแหละเรียกว่ากิริยาอาการกระทาความดีทางกายวาจากอให้เกิดบุญกุศลทางใจขึ้นมาได้ถ้าบุคคลจะทำอะไรจะพูดอะไร ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่วินิจัยให้ที่ท่วนแล้วก็ทำไปตามหน้าของกิเลสตัณหาอย่างนี้นี่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยจะนั่งภาวนาอยู่นานเท่าไหร่ก็สั้ง น, ะนั่งคิดนั่งกรองอารมณ์ภายนอกต่างๆอย่างนี้นะ ม, มัน ไม่ใช่หนทางคนทุกการนั่งสมาธิมันก็นั่งแล้วก็มีสติสำรวมจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในแล้วก็มาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้เพ่งดูจิตตัวเองบ้างเพ่งดูรูปร่างกายนี้บ้างนี่จึงได้ว่าภาวนาถูกทาง สมกับพระธรรมคุณบทว่าโอปนะยิโกนั่นเนี่ยกน้อมพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจนั่นกน้อมแล้ยพระธระทมคาสองพระพุทธเจ้านั่นนักปราชญ์ท่านจารึกใส่หนังสือไว้แล้วท่านพิมพ์ใส่สมุดไปแล้ว มาหนี้คุณระบุที่เกิดมาภายหลังก็มาเรียนกันมาท่องจำกันเมื่อจำได้แล้วมันไม่น้อมเอาคําสอนนั้นเข้ามาสู่จิตใจอย่างนี้นะให้ให้ใจมันสร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดมีขึ้นในตนก็ไม่ทำซะพวกเรียนก็เรียนจำจำกันไปเฉยๆเท่านั้น แล้วไม่น้อมเอาพระธรรมนั่นเข้ามาสู่จิตใจเช่นนี้มันไม่ถูกต้องแล้วไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วบุคคลจะพ้นทุกข์ไปได้มันก็ต้องน้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นเข้ามาสอนใจตัวเองปลุกปลอบใจตัวเองให้มันละกิเลสความชั่วร้ายต่างๆออกจากจิตใจนี้ให้ได้ นี่แหละจึงถูกทางแล้วก็จึงเป็นประโยชน์แท้ทั้งนักบวชทั้งเครือข่ายยอมปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี่แหละอืมปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาให้เป็นศีลปฏิบัติใจให้เป็นธรรมอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อลัอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานลํลาพังแต่ทําบุญให้ทัน ทำกุศลตามประเพณีนิยมกันเท่านี้นี่มันก็ยังไม่เกิดปัญญานั่นไไม่เป็นทางหลุดพ้นไปได้ได้แต่บุญเฉยๆไม่ได้กุศลให้พึงเข้าใจได้แต่บุญนั่นก็ได้แต่ความเบิกบานใจจิตใจผ่องใสเบิกบาน นั่นแหละเวลาบุญมันเกิดขึ้นในใจแต่มันไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดพิจารณาทำมันละเอียดเข้าไปกลัวนั่นต่อเมื่อใดได้บำเพ็ญสมาธิจิตนี้ให้บังเกิดขึ้นแล้วบนี้มันจึงโน้มใจพิจารณาไปในทางละทางถอน อุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนี่ตัวเองสอนตัวเองเองนั่นแหละให้พึงเข้าใจแต่ผู้ใดตั้งใจมั่นแล้วเน๊ะมันจึงสอนตัวเองได้ถ้าตั้งใจให้มั่นไม่ได้แล้วก็สอนตัวเองไม่ได้เลยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ปรากฏในใจของผู้นั้นโดยแจ่มแจ้งได้ มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายของพระธรรมคาสอนของพระเเจ้าซึ่งมันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของคนเรานี่แหละพระองค์ตัดสรู่แจ้งกายวาจาใจของของพระองค์เอง แล้วก็รู้แจ้งกายวาจาใจของผู้อื่นด้วยดังนั้นอย่าไปเพ่งไปทางอื่นเ <c oughs> พราะคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงออกไปเกจีอาจารย์ทั้งหลายได้พิมพ์ใส่สมุดใส่หนังสือไว้หมู่นั้นนะ่ะร้วนแต่ออกไปจากกายวาจาใจี้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้ บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินแล้วนะนั่นไงจึงสามารถบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วปัญญามันก็ตามหลังมาแล้ววันนี้ทาอะไรก็ประกอบไปด้วยปัญญาพูดอะไรก็ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ทําไม่พูดไปด้วยความงมงาย ความหลงความไม่รู้เท่าธรรมดาคนมีปัญญาในทางธรรมก็เป็นอย่างนั้นแหะมันก็ต้องหมุนกายวาจาใจของตนให้เป็นศีลให้เป็นธรรมขึ้นมามให้ได้แต่คนส่วนมากเท่าที่สังเกตดูคำว่ารักษาศีลก็แล้วแต่จะได้ มาถึงคาวเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วก็ทิ้งสินเสียเป็นอย่างนี้ไม่นําพาเลยเอาทิ้งเฉย เ, เมื่อกิเลสมันเกิดความอยากได้อะไรต่ออะไรมามากมาแล้วมันถ้าขืนไม่ทิ้งสินก็ทำไม่ได้คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเวลาปกติไม่ ไม่มีการงานอะไรอย่างนี้ที่ต้องวินิจฉัยแก้ไขอย่างนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> จึงค่อยมีศีลจึงรักษาศีลได้เมื่อเวลามีการงานอะไรเกิดขึ้น้ <c oughs> นี่บางงานบางอย่างอ้าวเขาพัดซักชวนให้พูดโกหกอย่างนี้นะก็โกหกไปตามเขา ออย่างนี้เลยเรียกว่ามีผู้ชักชวนไปทําบาปห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปตามเขาอย่างนี้นะ <c oughs> นั่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่มั่นในศีล น, นะมั่นแต่เวลาไม่มีเหตุเท่านั้นเองเมื่อเวลามีเหตุมาถึงเข้าเราองศีลลงไวพฤฤ้พื้นดินนั่นใช่ ถ้าอยู่พื้นดินก็ดีถ้าอยู่อาคารบ้านเรือนก็พงศิลไว้ที่บ้านที่เรือนแล้วก็ทำชั่วไปอย่างนี้นะคนส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละผู้ที่สัมพันมั่นในศิลธรรมสมบูไปจริงๆเนี่ยมีน้อยเต็มทีในโลกสนิวัตอันนี้นะเพราะฉะนั้นผูใ้ใดได้รับคำตักเตือนดังกล่าวมานี้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็ พึ่งพากันรักษาศีลนี้ให้บริสุทธิ์ไปให้เต็มความสามารถพยายามบำเพ็ญสมาธิจิตให้เกิดให้มีขึ้น mm hmm. เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งปัญญา mm hmm. เราต้องสร้างฐานที่รับรองของปัญญาไว้ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้พึงเข้าใจความหมายเมื่อผูใ้ใดเข้าใจความหมายนี่นะมันจะมองเห็นว่าการทำสวาธิภาวนานี่มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเราแท้ๆเลยนี่มันจะเห็นลงอย่างนี้เพราะว่าคนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ใจถ้าใจดีมีสติปัญญา ในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็นั่นแหละผูนั่นก็จะสามารถทำปฏิบัติธรรมได้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวนี้เลไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใดสิ่งอื่นนั้นมันเป็นแต่เป็นตัวประกอบเฉยๆดอก เป็นเครื่องปร ะ, ประกอบ<ม>เป็นเครื่องประกอบเพื่อให้ใจมันตั้งมั่นนี่เองแหละพูดโดยท้นมาแล้วนะไม่หนีจากหลักนี้เลย<ม>เพราะนั้นทุกคนเมื่อทราบอย่างนี้แล้วให้พยายามมีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตตัวเองไปทุกอริยบทนั่นแหละ<ม>อย่าไปท้อถอย <c oughs> ถ้าไปท่อถอยแล้วไม่ได้มารมันคอยลังควันอยู่เหลือเกินเมื่อผู้ใดคิดจะทำความดีในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีมารมาเบียดเลยถ้าไม่มีผู้มายั่วให้โกรธให้เกลียดทะเลาะวิวาทกันเอาก็เกิดไปรักให้ชอบใจในรูปสวยๆ ง, งามๆนั่นซะอย่างนี้นะ มันคเ ว, ว่าใจมันหมุนไปในกิเลสเหล่านี้อยู่ไปมาอยู่เช่นนี้เรามันจะเป็นสมาธิได้ยังไงอ่ ะ, อะ น, อ น, นั่นแหละอันอยากนอนก็ไปนอนซะโดยไม่ได้สกัดกั้นความหลับนอนนี่แม่แต่น้อยเดียวยงี้นะมันไม่มีปัญญาอะไรแล้วคน ง่วงเหงาหาวนอนแล้วไม่มีปัญญาจริงๆมันไม่ชอบคิดอะไรเลยถ้ามันชอบคิดการการงานคิดเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ไปนี่ความง่วงก็ยากที่มันจะเข้าครอบงามได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ เราทุกคนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีถ้าไม่มีบุญไม่ได้เกิดมาเป็นคนอันนี้ก็ควรมีสติเตือนตนของตนไว้เสมอเมื่อเป็นคนมาแล้วไม่ใช่มันสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ชีวิตนี่นะนเมื่อถึงอวสานแห่งชีวิตมาแล้วร่างกายนี่เท่านั้นแหละ แตกดับทำลายอยู่ในพื้นแผ่นดินอันเนี้ยต้องพยายามบำเพ็ญให้มันติดต่อกันไปข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ถ้าว่าจเจริญปัญญาอย่างนี้นะก็ต้องพยายามจเจริญให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆอมันจะรู้ได้ว่ามีปัญญาหรือไม่ไม่มี ก็รู้ได้ในเวลามีอุปสรรคความขัดข้องเกิดขึ้นในกายวาจาใจนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจก็ทำบำเพ็ญให้มันเต็มที่อย่าไปอ้าง